หมายคือว่าอยู่แล้วกุศลไม่เจริญเลยแต่ปัจใจสีง่ายโอจีวร น, นี่มีเป็นกุรุต่างกันอนะ่ะจีวรนเนี่ยมีหลายคือคือบางคนเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเขาชอบพระป่าเนี่ยนั้นเขาจะขนเอาผ้าเอาไปให้เนี่ยนะอย่างสมมุติว่ า, าถ้าท่านจะเย็บเองหรือยอมเอาไปให้เลยม้วนหนึ่งสองม้วนเนี่ยนั่งตัดแต่ผ้าเดือนหนึ่งก็ไม่หมดนะนะเขาเอาผ้าไปให้เยอะจริงๆแล้วเอาสีสีแก่นเนี่ยไปให้เป็นกิโลกิโลเนี่ยเอาไว้ให้ท่านยอมท่านอยากย้อมไงก็ยอมฮะจักไปว่าให้อีก อันนะให้จักให้ผ้าอ่ะ น, นะให้ผ้าให้จักให้ผ้าว่าก็กลายเป็นเย็บผ้าเก่งมากเลยคนนี้ะก็เลยไปนั่งย้อมผ้าปัจใจสีง่ายมากอาหารดูเนี่ยนะเรือนคลังเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บ้านใกล้หมู่บ้านนึกว่าจะมีอาหารที่ไหนได้ไอคนที่อยู่ป่างเงียบๆดูไม่มีอะไรนะั่นแหละเปิดเข้าไปในสเบียงทั้งนั้นเลยนะมาม่าเนี่มีทีหลายลังเนี่ยปลากระป๋องทีงหลายโลหลอย่างนะ้ ทีเอฟต้องเอาไปแบ่งคนที่อยู่วัดบ้านด้วยซ้ำเพราะไม่ค่อยจะมีชันอะไรหรอกในคนที่อยู่ป่า น, นี่มีเยอะแยะเลยนะกุฏิแต่ละหลังยิ่งกรีสอดอีกเหนั้นหลังหนึ่งโอ้ยงดงามมากแต่ละหลังแต่ละหลังแล้วก็ยาเนี่ยจะป่วยหรือจะไปโรงพยาบาลไหนจะกินยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะนั้นเพียรพร้อมไปหมดเลยเนี่ยนะแต่ว่ากุศลไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะ เรีย ว, ว่ากุศลธรรมไม่เจริญเลยบุญกุศลไม่เข้าใจเลยเจริญสมถะวิปัสนาเป็นยังไงไม่มีเลยได้ดีแต่ปัจใจสีนี่แหละเนี่ยนะอวดแต่ทั้งกุติกุติไหนดีกว่าลมโชยกว่าเป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าเนี่ยฟุ้งซ่านมากๆเอาวิทยุไปฟังเพลงเลยกันเนี่ยนะมาอยู่ฟังเพลงโอ้ยเงียบสงัดจริงๆแหมเพลงคลื่นนั้นดีจังเลยเนี่ยนะไอย้ยางงี้ก็มีในโลกเนี่ยนะไม่ต้องห่วงหรอกเพรา ะ, ะน้นบางทีเนี่ยนะกุศลไม่เจริญเลยแต่ว่า ปัจจสี่บริบูรณ์เมื่อปัจใจสี่บริบูรณ์แล้วกุศลจะเจริญหรืออกุศลจเจริญกันนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็แนะนําว่าดูก่อนพิสษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่เมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ก็ไม่ตั้งมั่นตรงนี้ยกสติกับสมาธิขึ้นมาก็แปลว่ายกอินรียห้าอินทรี่ห้าที่ยังไม่เจริญก็ไม่เจริญอินทรียห้าที่เจริญอยู่แล้วก็เสื่อมถอยร้อยลงไปอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปยังไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยสติกจิตที่ตั้งมั่นเป็นพาเวตปธรรมอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ไม่สิ้นไปเรียกว่าปหาตปธรรม แล้วก็คุณธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุเขาเรียกว่าสัจจิกาตปรธรรมสรุปว่าภาเวตปรธรรมก็ไม่เจริญปหาตปรธรรมที่ควรละก็ไม่ล ะ, ละสัจจิกาตปรธรรมที่ควรทําให้แจ้งก็ไม่ทําให้แจ้งแต่ง่ายอยู่อย่างเดียวคือปัจจัย4ี่เหัือนกันปัจจัยเครื่องอุดหนุน ช, ชีวิตคือจีวณบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัตว์บริการที่บรนประชิตจําต้องนํามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากโดยไม่ลําบาก โอ้ยเช็ดแต่กุฏินี่แหละกุฏิมันเยอะอนะเช็ดวันๆนะสมมติก็มีองค์เดียวอยู่ดูแลกุฏิสิบหลังเนี่ยนะไม่มีใครมาพักเลยไว้ขังยุงเนี่ยแมลงอะไรนะแมงมุมเนี่ยอยู่มันก็ เ, เช็ดวันที่หนึ่งเช็ดกุฏิหลังนี้อันนะัสามหลังสองสามวันหนึ่งหลังถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวก็โอ้ยเดราาัจฉานมันแต่ปัจจัยสี่กุฏินี่เยอะจริงๆเลยแหละนี่ก็ถามตัวเองเลยบอกเราไม่ได้ออกจากบวน ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเพราะเหตุแห่งจีวรบินทบารเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้บวชมาหาปัจใจสีนะไม่ได้บวชมาหาจีวณนะไม่ได้บวชมาหาอาหารนะไม่ได้บวชมาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ได้บวชมาหากุฏินะไม่ได้บวชมาหาอยู่หายากินไม่ใช่นะว่างันก็ต้องสอบสวนตรวจสอเคยมีว่างันยอเข้ามาขอให้ไปอยู่วัดแห่งหนึ่งวู้ววัดนี้เขามีกุฏิยุะศาลาเขาใหญ่นะสร้างหมดไปเยอะนะหลายล้านเลยแหละ ท่านไปอยู่หน่อยไหมบอกว่าขอมาไปอยู่เฝ้าเป็นจริงจกทุกแกให้ใครรอกเหมือนกันคุยกันเองนะไม่กล้าบอกเจ้าของเด็กเขาโกรธแล้วก็มาคุยกันเองว่าอาารย์ครับผมไม่อยู่หรอกครับผมไม่เป็นจริงจกทุกแกเกกแกฝ้ากุฏิให้ใครรอกผมไปแล้วก <c oughs> ็ดูแล้วอนาคตไม่มีวี่แววว่ากุศนละรำรมันจะเจริญได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็คือคำว่าเจริญกูศนยากนะถ้าที่ไหนที่อยู่แล้วเนี่ยนะธรรมะที่ยังไม่เคยฟังก็ไม่ได้ฟัง นะกุศลธรรมที่เคยเจริญก็ไม่ได้เจริญคุณธรรมเหล่าใดที่ควรจะมีขึ้นก็ไม่มีขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีขึ้นน้ำจะเป็นอะไรมันก็บาปรุนๆ น, นะโอ้ยถ้าเราไม่ตกนรกแล้วใครจะต ก, กชาตินี่นะก็เลยกลายเป็นว่าเออเอาไปเอามาหมดบ้านหมดเรือนหมดหม ด, หมดทุกอย่างแล้วนะตกนรกเนี่ยโอยมันอะไรจะพ่ายแพ้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบถามตัวเองว่าไม่ได้อยู่มาเพราะเพราะเพื่อต้องการปัจจัย ก็ครั้นเป็นเช่นนั้นว่าเราเนี่ยนะหมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าเราออกจากเรือนเนี่ยมาบวชอยู่อย่างนี้กุศลก็ไม่เจริญแต่ปัจจัยสี่นี่เจริญนะบริบูรณ์พูนสุขพระป่าที่หนึ่งเยอะแ ย, ยะเลไปหมดเลยนะคนมาให้เป็นนั่งหลายพระปา่าก็่เรว่ารถมาทีหลายคันเป็นต้นเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะก็บอกว่านี่ไม่ได้บวชมาหาปัจจัยเหล่านี้นะครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาอยู่ในป่านี้เนี่ย สติและที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นเรียกว่าพาเวตาประธรรมที่ควรเจริญก็เจริญไม่ได้อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปเรียกว่าปหาตประธรรมที่ควรละก็ไม่ได้ละเลยเราไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยหมายคำว่าสัจชิกาตประธรรมที่ควรทําให้แจ้งก็ไม่ได้ทําให้แจ้งอะไรซากอย่างดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย พิกษุแม้นั้นรู้แล้วควรหลีกไปจากป่าชัดนั้นไม่ควรอยู่รู้แล้วใครค ร, รูนเบ็ดเสร็จแล้วข้อดีข้อเสียวัดนี้ดีแต่ลาบสการะอย่างเดียวคุณธรรมไม่เจริญเลยไปได้เลยเพราะไม่ได้บวชมาหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดบอกรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนแต่ว่าอย่าอยู่เลยนะว่า ง, งั้นเพราะว่าสมณะธรรมไม่สาเร็จไอ้บวชออกมาตอนแรกบวชคึ้จะมาเป็นเจ้าวาหรือ ตอนไม่น้อยนักพระที่ก็แหมสัพพะทุกขนิสระเหมือนคําขอบวชนั่งเรียงนะข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งตอนแรกบอกขอบวชเพื่อขอเป็นเจ้าวาดเนี่ยนะมันน้อยมากเลยนะในในที่จะคิดอย่างเงี้ยก็บวชมาแหมปราถนาบรรลุมรรคผลทำที่สุดแห่งทุกกันทั้งนั้นแหละพอเอาเข้าไปเอามากลายเป็นว่าอา๋ออนนะั้นมีเพื่อนรูปหนึ่งบอกว่าเพื่อนไปเรียนธรรมะเถอะบอกผมไปไม่ได้หรอกครับอาจารย์ทําไมอะ่ะเพราะว่าที่วัดเนี่ยไก่มันเยอะไม่มีใครให้เข้าไก่ โอ้เหตุผลครับเป็นเลี้ยงไก่นะไก่ก็วัดก็ไม่มีครับเรียกว่าภาษาอีสานกขเอ็นดูเยอะขือดตนโยมก็ว่าก็แปลว่าสงสารโยมมากตาดำๆเขาจะไปให้ทานกับใครมาใส่บาตรกับใครเนี่ยไก่ในวัดก็เยอะเนี่ยนะมันจะต้องให้ข้าวไก่ให้อะไรไก่จะต้องดูแลแล้วใครจะดูแลวัดอ๋อบวชมาเป็นพานโรงเข้าใจแล้วนะบวชมาเป็นพานโรงรับจ้างเฝ้าวัดนะ ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้อายุยืนมีความสุขแค่ไหนไม่ทราบแลก็เรียกครูบาไปอย่างงั้นแหละนะบวชนานๆแล้วท่านก็เป็นอาจารย์เป็นบวชไปไม่มีใครก็ท่านจะเป็นอุปชาแล้วบอกว่าไอ้พวกหลังๆตามมาจะเป็นยังไงนะพ่อแม่เป็นอยังงี้แล้วลูกหลานเล้นหล่นต่อไปจะเป็นยังไงนเนาะพราะพวกเหล่านี้แหละจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าคำว่าเป็นอะไรนะเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วลูกศิษย์รุ่นต่อๆไปจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะ ก็ราว่าอนาคตมีแต่อับเฉาอย่างเดียวแล้วมันงั้นอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพื่อนพระพิสุสั ม, มเนนทั้งหลายที่ออกบวชมาก็สแสวงหาเป้าหมายกาหนดทิศทางในชีวิตให้มันดีเนี่ยนะถ้าคิดว่าจะไม่เอาดีทางธรรมะก็ก็เป็นพระก็ให้มันเป็นพระเต็มตัวจะเป็นโยมก็ให้มันเป็นโยมเต็มที่ไปเนี่ยนะมันจะไปเอาครึ่งๆกลางๆแล้วก็ทําลายคําสอนเขาหมดอในข้อ237ดูก่อนพิสุทั้งหลาย พิสุในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธอเข้าไปอาศัยป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแปลว่ากุโสธรรมเจริญพาเวตปรธรรมธรรมที่ควรเจริญเจริญได้เยี่ยมเหมือนั้นเถอะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะเจริญขึ้นอย่างเดียว อาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้นไปคือวัตธรรมที่ควรละก็ได้ละจริงๆแหละและภิกษุนั้นย่อมได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยหมายถึงว่าบรรลุคุณธรรมเลยคุณธรรมสัจชิกาแต่ประธรรมก็เจริญอย่าลืมวิกิจในพระพุทธศาสนาก็คืออะไรหนึ่ง เพื่อกําหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้เพื่อละธรรมที่ควรละเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งเพื่อเจริญในธรรมที่ควรเจริญเชื่อไหมพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดมีเป้าหมายอยู่เท่านี้อย่างจิหนึ่งเพื่อให้รอบรู้สิ่งที่ควรรับรู้สองเพื่อให้ละสิ่งที่ควรละสามเพื่อทําให้ทําให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งแล้วก็สี่เพื่อให้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าทํากิจไปตามนี้เรียกว่าทํากิจใน พระพุทธศาสนาเรียกว่ากิจเนี่ยนะกิจเหล่านี้ทําด้วยระดับสูงสุดก็คือด้วยโซดาปฏิมักสกธาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักเป็นกิจที่สูงที่สุดเป็นต้นถ้าเป็นไปตามนั้นแสดงว่าถูกต้องเมื่อไปอยู่แล้วได้ทํากิจเหล่านี้จริงๆส่วนปัจจัยสี่เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวอนบินทบาทเสนาสนักกีฬานะปัจจัยเพศัตว์บริขารที่บรนประชิดจําต้องนํามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นเกิดขึ้นในยาก กุสนเนี่ยเจริญมากได้ประพฤติอริยมรติปฏิบัติตามคําสอนแต่ปัจจัยสี่ลำบากานะฮะแต่ละเมื่อนี่อยู่ยากเหลือเกินดูความพิสูจ์ทั้งหลายพิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าช้านี้เมื่อนั้นเมื่อเรานั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าช้านี้อยู่ สติที่ยังไมปกก่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริหารเหล่าใดที่บรรพชีตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก แต่ว่าเรานี่ไม่ได้ออกบวชนะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเพราะเหตุไม่ได้บวชเพราะต้องการจีวรไม่ได้บวชเพราะต้องการอาหารบิณฑบาตไม่ได้บวชมาเพื่อหากุติที่อยู่อาศัยหาเสนาสนะไม่ได้บวชมาเพื่อเป็นเจ้าวาดเหมือนกันไม่ได้บวชมาเพื่อหากีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารก็ครั้นเป็นเช่นนั้นเมื่อเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ สมาจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นคือใจที่ยังไม่เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิอาสวะบาปอากุโลธรรมที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไปเราย่อมได้บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นแม้รู้แล้วอย่างนี้ก็ควรอยู่ในป่านั้นไม่ควรหลีกไปเสียะนะหมายความว่าโภกข้ัพย์เนี่ย ค่อนข้างเดือดร้อนเรื่องพวกกระซับว่า ง, งั้นเถอะแต่อริยทรัพย์นี่เจริญน่ยจะได้รับมรดกโลกุตระธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วอยู่ต่อไปเนี่ยนะอยู่ต่อไปเถอะเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนะตายแล้วก็ยังไงก็ไปดีว่า ง, งั้นเถอะสุขติอย่างน้อยที่สุดก็สุขติในที่สุดอาจจะบรรลุมรรคผลธรรมที่สุดแห่งทุกได้อย่างที่สี่บอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทางลายพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่ อาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เมื่อเธออยู่อาศัยในป่าชัดนั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปและภิกษุนั้นได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่ บรุด้วยส่วนปัจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิตคือชีวนบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศักบริขารเหล่าใดที่บรรพชิตจำต้องนำมาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชัดนี้อยู่ทบทวนนะั้นต้อง คนที่เจริญอะไรสักอย่างหนึ่งในโลกนี้ทำอะไรมันต้องมีการสำรวจและทบทวนทั้งหมดเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าไปอยู่ในป่าต้องมีโอกาสทบทวนตัวเองทบทวนว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้ทบทวนพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วว่าเราเข้ามาอยู่ป่าแห่งนี้ เมื่อเราเข้ามาอยู่ป่าชัดแห่งนี้สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็กตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็สิ้นไปและเราย่อมได้บรรลุความปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยส่วนปัจจัยสี่เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวณบิณทบาทเสนาสะนะและคิลานะปัจจัยเภศัชบริหารเหล่าใดาที่บรนประชิตจำต้องนำมาบริโภค ปจัจใจเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากดูความพิสูจน์ทางหลายพิสูจนั้นควรอยู่ในป่าชัดนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปเสียอยู่ต่อไปอยู่ตายที่นั่นแหละก็ดีแล้วไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะไม่มีอะไรเดือดร้อนสักอย่างกุศลก็เจริญจนได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะปะจัจใจซีก็ไม่ได้เดือดร้อนอยู่ไปเธอเนี่ยนะอยู่จนตายเมือนกนถ้าสังเกตดูมันมีอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งไปอยู่ป่ากุศลก็ไม่เจริญ ปัจใจสี่ก็เดือดร้อนรู้กลางวันไปกลางวันรู้กลางคืนไปกลางคืนรู้แล้วไปเลยยงังไม่ต้องอยู่ต่อไปแล้วจะเดือดร้อนขนาดนั้นเนี่ยนะกันดานทั้งร่างกายและจิตใจเพรางั้นอนะ่ะร่างกายก็หาปัจใจสี่เครื่องอยู่ยากยากจิตใจก็ไม่เจริญด้วยคุณธรรมอันนี้ไปเถอะเนี่ยนะรียบไปเลยเนี่ยนะอัคราชาเขาบอกว่าถ้าไปกลางวันแล้วมันอันตรายกลางวันก็รอไปกลางคืนเพางั้นนะคือหมายความว่าพิจารณารู้ในตอนกลางวันใช่ไหม ปอรู้ปั๊บเนี่ยเออเนี่ยมันต้องไปแล้วนะแต่ถ้าไปกลางกลางวันอันตรายรอไปกลางคืนถ้าหากว่าพิจารณาคิดได้ต่ตอนกลางคืนถ้ากลางคืนไปได้ไปเลยไม่ต้องรอหรอกนนะเสร็จแล้วถ้าไปไม่ได้อันตรายร อ, อกลางวันก่อนค่อยไปคือสรุปแล้วหาโอกาสไปเถอะอย่าอยู่เลยอันนี้ข้อที่หนึ่งแสดงว่าป่านี่เลวมากนนะอย่างที่สองอ น, นะอยู่แล้วกุศลไม่เจริญ แต่ปัจจัยนี่มันหาง่ายอุ้ยลาษฎร์สการะเต็มไปหมดเลย